ก็จจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังไปไปบ่อยก็อาจจะเข้าใจถ้าเสียงที่เราได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันก็คล่องจองและเหมาะสมสะดวกในการกระทําสะดวกในนํามาปฏิบัติได้สัมผัสกับคําพูดคําพูดสิ่งที่เราได้ยินนะเป็นการที่สัมผัสได้ โดยเฉพาะการสอนการพูดเรื่องกรรมฐานไม่ใช่สอนให้คิดสอนให้ทำสอนให้สัมผัสไม่ต้องไปใช่เหตุช่ผลสัมผัสเอาเอากายไปต่อกับความรู้สึกตัวเอาจิตไปต่อกับความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัว ไปเจี่ยวข้องกับกายกับใจท่องเที่ยวอยู่ตรงนั้นให้ชำเนสชำนาญเมือเราเดินทางเทือกทางของเราคนขับรถเดินทางของเราเป็นทางของผู้เดินทางเราก็คลองตัวจำนวน เ, เวลาได้ตรงไหนช้าตรงไหนไวอ่ ถ้าไม่เคยทางเขาต้องระมัดระวังอาจจะผิดพลาดได้การที่เอาสติมาเจี่ยวข้องกับกายกับใจเนะการเอากายเอาใจไปเจี่ยวข้องกับสตินี่หรือว่ากรรมมาฐานให้ทําตรงนี้ให้ทําตรงนี้อย่าไปอยู่ที่อื่นอย่าไปวางไว้ที่อื่นตัดที่อื่นไปก่อนเหตุผลความชอบไม่ชอบตัดไปก่อน วิธีใดที่จะรู้สึกตัววิธีใดที่จะรู้สึกตัวทําแบบสนุกสนานสั่งความรู้สึกตัวอยู่กับกายไงถ้าทําดีๆแล้วมันสนุกสนานมันเพลิดเพลินพรามันเป็นของจริงความรู้สึกตัวก็ไม่จริงกายก็ไม่จริงกายก็เป็นของที่เราใช้อยู่ควมรู้สึกตัวอยู่ที่กิต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 เราความชั่วทำความดีมันก็อยู่ตรงนี้จนเห็นแจ้งรูปจริงตามความเป็นจริงตามความเป็นเท็จอย่างไรทังที่พูดเมื่อวานในตอนเย็นให้เห็นเป็นปรูปมาทำเห็นเป็นนามมาทำถ้าได้เห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วมันก็ได้หลักฐานพอได้หลักฐานความเท็จคอมจริงมันก็จะปรากฏ ค, ความจริงก็ เราโกรธความไม่จริงก็ทนอยู่ไม่ได้กพเกิดขบวนการยุติธรรมกับชีวิตของตนขึ้นมาอะไรที่มันเป็นความเท็จมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะ ม, มันไม่จริงความหลงมันไม่จริงความทุกข์มันไม่จริงความโกรธความวิตกความวุ่นอะไรต่างๆมันไม่จริงแล้วก็สัมผัสดูดมันเป็นเทียนนั้น ก็ได้หลักไต้ฐานเห็นรูปเห็นนามเห็นไตรลักควาไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเสียงไหนไม่เที่ยงก็มอบให้เสียงไม่เที่ยงมันไปเสียงไหนเป็นทุกข์ก็มอบให้เสิยงที่มันเป็นทุกข์ไปในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวมันก็ไม่ใช่ตนแล้วก็ เรียว่าบกหรือว่าขาดลงไปเคยยึดมันถือมันแล้วก็บกหรือเหือดแห้งไปไม่เปียกไม่ชุม่มเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์นั้นแต่ก่อนเราเคยยึดเราเคยถือวันนี้พอเห็นมันว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็ปัดกวาดไปเง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 รู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนำตั้งแต่เริ่มต้นตามกลางและที่สุดไม่ได้ทิ้งความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็กลายเป็นศีลกลายเป็น ส, นนสมาธิกลายเป็นปัญญาศีลก็กำจัดกิเลสสมาธิก็กำจัดกิเลสปัญญาก็กำจัดกิเลสกำจัดกิเลสอย่างหยาบกำกัด จ, จำกัดคิด จ, จำกัด กิเลสอย่างละเอียดไปเรื่อยๆไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงตั้งแต่เป็นอนุสัยอนุสัยคือเนืองนองนอนเนืองอยู่ในชีวิตจิตใจของเราจลิตนิสัยอากาจริตโทสะจริตโมหะจริตนั่นก็หดหายหรือหลุดออกไป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 เมื่อมีความเมื่อมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในกายในใจแล้วความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นอีกหลายระย่างเป็นภายนอกวัตถุเสียงของอะไรต่างๆก็กลายเป็นความเป็นธรรมเกิดความรักความเมตตาคนที่เคยเป็นศัตรูขู่อิลิก็เคยก็กลายเป็นความเมตตากรุณาได้ไออิจฉาไปบาศก็กลายเป็นความเมตตากรุณาเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไป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 ตาเห็นลกก่อไปไกลหูได้ยินเสียงก็ไปไกลแล่นไปประเทศมันก็จบเฉพาะเฉพาะตาเห็นโลกก่อนสภาวเห็นหูได้ยินเสียงสัาว่าได้ยินฟังรู้เรื่องรู้ราวเขาเน้นท่าก็รู้เขาสรรเสริญก็ารู้การที่เน้นทาสรรเสริญมันเป็นสมมุติบัญญัติเกิดจากบัญญัติเอามาใช้เอามาด่าเอามายกย่องกันมันเป็นสมมุติ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 เห็นความหลงที่เกิดกับเราเห็นความหลงที่เกิดกับคนอื่นเห็นความกโกรธที่เกิดจากเราเห็นความกโกรธที่จากเกิดจากคนอื่นมันก็เหมือนเหมือนกัน น, น่าเห็นใจคนที่หลงหน่าเห็นใจคนที่โกรธน่าเห็นใจคนที่ทุกข์วิธีใดที่เราจะช่วยเขาก็ก็คิดแต่ช่วยเท่านั้นไม่ได้คิดอิจฉาเบียดเบียนกันแต่ก่อนนี้เมื่อเขาโกรธเราก็โกรธตอบ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 เริ่มต้นของวัฒนะก็ไปแบบนี้ปฏิบัติก็ไปแบบนี้เราจะไม่ทำตรงนี้ได้ยังไงเพราะชีวิตเรามันก็มันก็ทอจะว่าแล้วมันไม่อันตรายมันเป็นวัตถุแห่งกรรมมงคณตาหูจมูกเล่นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงเป็นเป็นปากทางแห่งความหลง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 ได้หลายอย่างกายใจอาจจะแตกต่างกันไปเทคนิครูปแบบต่างๆตัวหลงเป็นตัวลูกตัวลูกก็ประกอบกับอะไรที่มันไปช่วยกระจายให้มันเต็มไปในพื้นที่ของกายของใจทีนียก็สวดมนต์บ๊วยพระสวดสาธยาย ความเป็นอยู่เราก็หัดฝึกหัดอยู่ในเต้นอยู่ในเสนาสนะอยู่รูปเดียวบางทีก็เล่นกับความกลัวชำนิชำนาญในความกลัวรู้จักความกลัวชัดเจนปรกความกลัวมาเกิดจากอะไรมาเกิดจากความหลงเกิดจากความชิดก็อยู่ในกำมือเรา ความกลัวไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความหลงตอเราลูบสึกตัวในขณะที่มันกลัวเวลาใดที่มันกลัวลองเดินจงกรมลองยกมือสร้างจังหวะกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวบางทีมันก็หายปานปิดเท่งได้เวลามันกลัวลุกขึ้นเดินจงกรมในความมืดลองดู มันเป็นความสงาาส่าราศีมันเป็นความยิ่งใหญ่ในขณะนั้นก็ได้ความกลัวมันเหมือนกับดอยๆความรู้สึกตัวของเราที่ลุกสร้างความรู้สึกตัวมันยิ่งใหญ่เหมือนนกอินทรีความกลัวเหมือนตั ก, กแตนความกลัวเหมือนหมาความรู้สึกตัวเหมือนช้างช้างหมามันเห่าช้าง เราลู้สึกตัวอย่างเก่งไม่เคยเห็นช่างมันวันไหวเวลาหมามันเหวาความรู้สึกตัวที่เราประความลบความเพียรหนังยกมือสร้างจังหวะเพราะเราเคยทำแล้วลู้สึกตัวลู้สึกตัวเล่นกับความกลัวมันก็มันก็ไม่ต้องกลัวความกลัวเหมือนคนชำเนยชำนาญในการเล่นกับปูมันก็ไม่กลัวงู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 หรือกุศลทั้งหลายเหมือนที่เราสวดยังกุศลเที่ยงไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้บาปเที่ยงไม่เกิดขึ้นไม่ใหไม่บาปมันก็ต้องเห็นมันก็ต้องเห็นมันเห็นมันเคยทํากับเสียงเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นความชํนำนิชานาญเป็นกีฬาเป็นศินละปะ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 โดยพวกวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่อยู่ในวงเล็บของชีวิตก็ไปเลยวงเล็บปิดวงเล็บเปิดโบราณทันหวารักยาวให้บันลักสั้นให้ต่อลักสั้นให้ต่อต่อความรู้สึกตัวความหลงก็สั้นลงรักยาวให้บันลักยาวให้บัน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 มัน ก, ก็มีเท่านี้อยู่ในกรรมมือของเรากายมัน ก, ก็มีวัตถุอาการเยอะๆใจมัน ก, ก็มีเยอะๆเอามาอยู่ในภาวะความรู้สึก ต, ตัวนยิ่งไปเห็นรูกปกระทำเห็นนามมาทำเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนามเห็นโลกที่มันเกิดขึ้นกับรูปเห็นโลกที่มันเกิดขึ้นกับนามมันก็ต้องเห็นละ่ะ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 เขดอะไรต่างๆมันหลุดไปเลยมันหลุดไปเลยยังไม่ได้ทําเลยมันจะหลวกไปเลยเหมือนอย่าเล็กๆน้อยๆเวลาเราเหยียบไปมันก็เป็นทางไปเลยไม่ต้องไปไดายไม่ต้องไปถากไม่ต้องไปอดไปทนเพราะว่าความหลงเรดเป็นคู่กับความรู้สึกตัว เราปรับตรงนี้ได้แล้วถ้าเราปรับความหลงเป็นความรู้สึกตัวมันก็มันก็แย่หลายๆอย่างก็แย้หลายๆาอย่างอยู่แล้วเรเปิดตรงนี้ได้มันก็เปิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่อะไรเทเจะคของติดตายแม้มันหลงเอง ก, ก็กลับมารู้สึกตัวเองไปได้ ชีวิตที่เปิดตัวชีวิตที่เปิดเผยเนเราก็เห็นอยู่กับตานี่แหละความหลงเพราะมันหลงก็บรู้สึกตัวมันก็เท่านั้นเองแต่มันไม่หลงก็บรู้สึกตัวเรื่อยไปเรื่อยไปถ้ามันเกิดเห็นขึ้นมาเห็นโลภเห็นนามก็เห็นแล้วก็ได้หลักได้ฐานได้หลักได้ฐานได้ทิศได้ทางเห็นโูภทุกข์เห็นนามทุกข์โลภโลกนามโลก โลกของลูกโลกของน้ำโลกของลูกมีหลายอย่างร้อนหนาวหิวปวดเมื่อยอะไรหลายหลา ย, ลายอย่างเป็นโลกของลูกมันเป็นธรรมชาติโลกของน้ำคือความหลงของโกรธความทุกข์ความวิตกกังวลความเศร้าหมองความลกความชังเป็นโลกของน้ำโลกแบบนี้รักษาได้โดยมีความรู้สึกมีความระลึกได้ โลกของลูกที่เป็นโลกกรเพราะโลกตับโลกไตโลกไข่วัดไข่นกอะไรนั่นต้องอาศัยหมอเพราต้องช่วยตัวเองในโกูกในโลกแบบที่เรากําหน ด, ดลูกเ ด, ดียกันลูกกาหนดลูกเดียกันบรรเทากําหนดลูกเดียกันละมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ลูกทุกน้ำทุกทุกบางอย่างกําหนดลูก อาการตุกตาทุกทุกบรรเทาปวดหนักปวดเปากินข้าวเหนียวข้าวตรงบันเทาไม่ต้องไปทุกข์ใจเกี่ยวข้องกับทุกถูกต้องทุกกวางอย่างต้องละละความทุกข์จะเป็นสมุทยัยความทุกข์จะเป็นสังขารการปรุงปรุงแต่งแต่งวันเทาไม่ได้ต้องละ แล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนถ้าถ้าโกรธได้ด่าเขาก็หายโกรธแต่ข้าเขาก็หายโกรธอันนั้นไม่ถูกต้องทุกส ม, มุทัยทุกสังขารต้องละต้องละการละทุกส ม, มุทัยทุกสังขารเน่ง่ายไม่มีวัตถุที่หนึ่งที่สองเปลี่ยนเลยตรงกันข้ามพอดีเมื่อหลังมือมันหลงเปลี่ยน วันทุกเปลี่ยนไม่ทุกทันทีไม่เหมือนกับทุกข์อาคารตุกะทุกสภาวะทุกข์อาคารตุกะทุกถ้าถ้าปวดหนักก็ต้องไปถ่ายตื่นขึ้นที่หลับที่นอนต้องเดินไปห้องน้ําต้องอาศัยรูปเดินไปต้องอาศัยไฟฉายต้องอาศัยที่ถ่ายที่เบาอะไรต่างๆไม่นําไม่ขันไม่อะไรเยอะแยะไม่ห้องน้ําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนั้เป็นอาการตุกะทุก เห็ลูกข้าวก็ต้องไปกินข้าวไอ้ข้าวก็ไม่ภาชนะไม่ช้อนไม่กรอบไม่โอ้ยเยอะๆต้องเขี่ยวต้องขบต้องเมตตาต้องเมืมือต้องเมท่าทีการกินอันนั้นยากหลายอยา่างแต่ว่าทุกสมุทัยเนี่มันง่ายที่สุดแต่วางคนถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่เห็นมีสติจะถือว่ายากทําใจได้ยาก ของง่ายๆก็ว่าไปม้ามันยากมันเป็นการที่ง่ายเป็นการสนุกกตือหรือล้นก็่สิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจเป็นทุกข์สมทุทัยทุกข์สังขารทุกข์อริยสัจสี่เนี่ยง่ายนิดเดียวทุกขอริยสัตส์่เพราะเราเห็นเราเห็นตั้งแต่เห็นรูปเห็นนามก็เห็นทุกข์มันก็เลยง่ายเหมือนก็นมีเครื่องมือหนัก ไปยกสิ่งยกของที่มันหนักให้มันเบาให้มันง่ายพอเรารู้สึกตัวเห็นรูปเห็นนามของเธอมันยากก็เลยง่ายไปลนะวเพราะกรรมาฐานมันมันลาดตั้งแต่เริ่มต้นหมุนทางขึ้นเขาเขาต้องทําให้มันลาดมันทางขึ้นเขามาสุขโตเนะ่ะต้องลาดไม่ใช่หน้าผาไม่ใช่หักตามผ้าด้วยเขา่า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 ของรถแท็กเตอร์ผ่านไปตรงไหนมาเกเรียบปื้อสติเหมือนไม่กวาดผ่านไปตรงไหนมาเหมือนกับจะสะอาดก็เลยลาดเอาไว้ง่ายแต่ก่อนไม่ลูบมันชันพอหลงจะลู้สึกตัวน่มันก็ยากเสีแล้วพอโกดจะลู้สึกตัวมันก็ยากเสีแล้วเพราะมันชันอยู่ อันนี้เรามาสร้างมาสร้างไห้ลู่เจ็ตัวลู่เึ็ตัวหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วสี่วันแล้วถึงเกตวันแล้วเนีเอาถ้าได้เกตวันแล้วเนี่ยเอาละมันต่างกันเย่ๆเลยความหลงกับความลู่สัมผัส ด, ดูแล้วความหลงกับความลู่นะไม่มีใครไปเอาความหลงพอได้ลู่ถึงเกตวันแล้วเลือกเป็นแล้ววเนะเลือกเป็นแล้วถ้าเป็นทางก็เห็นทางได้ง่ายพอเดินอยู่หลายวัน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 สะดวกแลวบัณภาษาอะไรความหลงความทุกข์มันก็ง่ายไปเลยมันเป็นขั้นตอนดีดีมันเป็นสูตรสติปัฏฐานนสูตรเนี่ยฉลาดจริงๆรพระพุทธเจ้ามอยกนี่หลวงพ่อเทียนมาสอนพวกเราไอ้ยฉลาดให้เห็นรูปเห็นนามเห็นทุกเห็นใจลักเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัดเห็นปริมติเห็นวัตถุ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 เอาความโกรธไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลังเอาความหลงไว้หลังมันจึงจะเรียกว่าวิปัสสนาล่วงพ้นภาวะเก่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆกันไปบัติธรรมมันสะอาดหรือว่าพรหมจรรย์มันสะอาดกว่าเก่าตอนที่จะเป็นพรหมจรรย์นี่ยภาวะที่ดูเนี่แหละประเพณพรหมจรรย์ภาวะที่ดูน ะ, ะ, นน ะ, ะนเห็นไม่เข้าไปเป็น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 เป็นเห็นมันปวดมันเมื่อยเลือพรหมจรรย์แล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์และเริ่มต้นเป็นพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสัจธรรมเกิดจากสัตจธรรมจงนี้พระสงค์เกิดจากพระสัจธรรมไม่การปฏิบัติดีเป็นต้นเพราะสงฆ์ที่เป็นคุณภาพเป็นคุณธรรมที่เป็นปรมาท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 อุปสมบทกรรมได้เช่นอุทุกเขบสีมาเยวัดเราสลานา้ำเป็นอุทุกเขบสีมาแต่ว่านี่มันเป็นจังหวัดกลางก็เลยสมมติบวดไม่ได้อันนั้นประสงค์เกิดจากสมมติปัญญ์ถ้าพระสงค์เกิดจากปรมัตาสัจจะคือเกิดจากพระสัธรรมมีการปฏิบัติดีมีการประพฤติปกจนมีแต่เห็น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 ถ้าสี่งของมันไม่สุดไม่โสมง่ายแรีว่าคุณภาพมันใช้งานใช้งารได้เรียกว่าสมรรถนะมันเข้มแข็งไม่ทุพพลภาพทางกิตวิญญาณมันสร้างเสริมขึ้นมาความทุกข์เห็นมันทุกข์เนีสร้างแล้วในคุณภาพแล้วมันโกรธเห็นมันโกรธสร้างขึ้นแล้วความโกรธไม่เปิดไม่เพื่นกับผู้เห็นผู้พบเห็น มันก็ผ่านไปผ่านไปประพฤติพรหมจารย์พร้อมทั้งอาฏาราทั้งปัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสิ้นเชิงไม่มีตรงไหนที่จะสิ้นเชิงเท่ากับเห็นเห็นเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามนตัวปฏิบัติก็ฟังเอาไว้ไปทำดูทำให้มันเป็นทาให้เป็น ไม่ใช่สอนให้รู้สอนให้เอาไปทําแล้วทําให้มันเป็นทําเป็นอย่างไรเวลามันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้โอ้ความหลงหมดไปแล้วทําเป็นแล้วทําตรงนี้เป็นแล้วมันหลงที่ไรเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้โอ้ทาเป็นแล้วทําเป็นแล้วเยทําให้มันเป็นใครเป็นคนทําเราต้องทําเอาเองเวลามันทุกเปลี่ยนความทุกเป็นความไม่ทุกหลุดสึกตัวเอ้หลุสึกตัวหลุสึกตัวความทุกหมดไปแล้ว มันเกิดขึ้นอีกก็ทำอีกทำเป็นอีกทำให้เป็นการทำให้เป็นเราต้องสอนตัวเราการสอนให้ลูกมีการสอนเยอะแยะหมดเลยใครก็สอนได้แต่การสอนให้เป็นไม่มีใครสอนเราได้เราต้องทำเอาเองในภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเหมือนกันลงสนามนักเข้าสู่สนามลบทรูดหลบรูดหลีกลูดหลบเป็นปีกรูดหลีกเป็นหาง บางอย่างก็หลบมันมาสูงก็หมอบลงมาต่ำก็โหลดขึ้นอยากให้มันถูกคนที่เข้าสู่สนามลบไม่ใช่ไม่ใครบอกไปบอกกันไม่ได้ก็ต้องฝึกเอาเองลบไปเอาเองเรื่องลบไปเอาเองลบไปเอาเองหาวิธีที่จะปลอดภัยไปเาเองการเจริญสติมันก็นลงสนามลบ ความหลงสนามลบความทุกข์ความอะไรต่างๆก็ให้แข็งแกร่งสักหน่อยนะอย่าไปอ่อนแออดแดดอ่อนแดดสร้างความเฉื่อยเงคิดเราไม่ครูบาอาจารย์เราไม่พระพูธพระธรรมไม่พัตนาใยเราไม่วัดปฏิบัติเราไม่พระใตไปดกเราสาดใหญ่ทำตอนเช้าตอนเย็นเราไม่เพื่อนไม่มตต์อ้าว ไปปรากฏจุปาภัยก็มีเพื่อนไม่มตไมีกัลยาณนะมมตเป็นตัวเป็นตนจริงๆรปุ่นใจจริงๆมาทำว่าสวดมนต์ก็มีพระไตรปิฎกที่เป็นหลักฐานช่วยเราช่วยเราเราสาธยายทมเป็นคำพูดเอ้ามันก็สอนเราเอ้าหลายอย่างที่ช่วยเรา ไม่เปรียบเดียวเดียวได้โอนใจพวกเราไ่ใช่หนึ่งสองเท่านั้นเป็นเศษเป็นยี่สิบทั้งอุบาสกทั้งบาสิกาผู้ทำอาหารให้เราครบราฉัน้นสะดวกหลายอย่างอาโจโยมมาจากที่ใกลที่ไกล้นำอะไรมาช่วยเราโยงแยะไปเลยปัจจัยสี่เครื่องนึ่งครองหมที่อยู่อาศัยอาหารบบญธบาทยารักษาโลก มีหมอมานอนเเพ้าอยู่กับเราด้วยมีนายแพทย์มีพยาบาลเป็นนักบวชก็ไม่มีทหารมีตำรวจก็ไม่ไม่ใช่เราโง่งไม่ใช่เราป่าเถื่อนอะไรก็เห็นกันอยู่ต้องโต้คำพูดคำบอกคำสอนเราก็ให้พิสูจน์เห็นอยู่ถ้าเป็นการหลอกก็จะต้องให้เห็นว่าเราหลอกพอเห็นการไม่หลอกก็ให้เห็นว่าเราไม่ได้หลอกใครเราก็ไม่ได้กระซึบกระซาบ สอโน่นสอนนีนเน่เหมือนลูกศิษย์อาจารย์ทศสาปามอดลูกศิษย์หลอกให้อาจารย์โกรธองคุเรมานโถ อ, องคุเรมานเป็นคนดีแข็งแกร่งเลียนเก่งลูกศิษย์รุ่นลาวคราวเดียวกันโกรธเขาว่าดีกว่าเขาเขาก็พยายามที่จะไป พูดกับอาจารย์ให้อาจารย์ขับไล่เขาหนีกลาว่าองค์เคลมนนะันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ที่เขาไม่เชื่อเป่าหูไปเป่าหูมาเล่าวว่าองค์เคลมานจะฆ่าอาจารย์นะเขาวางแผนแล้วอาจารย์ไม่ฆ่าเขาเสียนะอาจารย์จะตายนะอาจารย์หูเบาเชื่อลูกศิษย์อีกพวกหนึ่ง ก็เลยเอย๊ถ้าจะฆ่ามันก็ไม่ได้หรอกถ้าอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์มันไม่ได้ต้องหาวิธีอื่นนะก็เลยไปบอกองคเคลมานองค์เคลมานยังมีคาถายังมีศาสตร์ต่างที่ยังบอกไม่ได้โดยตรงแต่ว่าเธอต้องไปหานิ้วมือมาหนึ่งพนิ้วจึงจะเรียนศาสตร์ตันนี้จบได้เธอเรียนเก่งแล้ว าศาสตร์อะไรๆก็จบปุตแล้วแต่เธอเรียนศาสตร์เนี่ยจะต้องไปเอาเนี้ยวมือของคนมาคนละเนิ้ยวละเนิ้วมาให้ได้พันเนิ้ยวพันข้อเธอจึงจะเรียนศาสตร์ได้ก็หมายความว่าถ้าองค์ุริมานไปฆ่าคนก็จะต้องถูกคนฆ่าถึงหนึ่งพันคนต่อสองสามคนก็ถูกเขาฆ่าแล้ววางแผนให้ไปให้ถูกเขาฆ่า ในที่สุดองคุคริมานก็ไม่ถูกใครฆ่าได้คนที่สุดเป็นการหลอกจนโดยไปพบกับพระพุทธเจ้าหลอกไ ม, มันก็หลอกไม่ได้เสียเปรียบอาจารย์ก็ไม่ไนี่ถ้าพวกเราที่ไหนหลอกก็อย่าไปเสียเปรียบเป็นเดือนเป็นปีพิสูตนตัอเรามาเลยกระ ซ, ซึบกระซับใครพูดคอยพูดได้ยินอยู่เนี่ไม่ได้ไป อะไรใช่เครื่องขยายอย่างดีอัดเทพไปอย่างดีมีหลักฐานม่ีหลักฐานเขียนไว้พูดปัญเทตนาจย์ทุ่เทมเขียนไว้พูดปัญเทนนั้นเดือนนั้นปีนั้นพศนั้นเอาพิสูจนลงไฟเป็นเท็จเป็นจริงอย่างไรผู้มีปัญญาผู้มีสติกงังรู้ทำรู้ภาคปฏิบัติเรารู้สึกตัวกับกายอะไมันเราหลอกไหมเวลามันหลงเรารู้สึกตัวหลอกไหมทำอะไรตรงนี้ได้ โอ้มันหลงล้วก็รู้สึกตัวเนี่ยมันทุกข์เราก็รู้สึกตัวมันโกรธเราก็รู้สึกตัวมันโกรธมันหนาวเรากรู้สึกตัวอู้ความรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยทั้งหมดเลยอ๋อได้แล้วได้หลักแล้วบัดนไปเถอะบัดนี้สุขทุกข์ไม่ใช่เกิดกับเหตุอันอื่นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยแต่ก่อนความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นจากคนอื่นอาศัยให้คนอื่นอาศัยคนอื่นเขาทํำไมเป็นทุกข์กัทุกข์ ว่าทำไมเป็นสุขก็สุขเหมื น, นี่เสร็จเลยสุขทุกข์มันเกิดขึ้นจากเราเห็นแจ้งรู้จริงอะมันก็แจ้ได้ถ้ามันเกิดขึ้นจากเราจะไปแก้คนอื่นแก้ไม่ได้เขาจงยาด่าเราขอจงสนเสริญเราขอจงขันเรา อ, อ, น, ราอ น, นั่นเขาจงรักเราไม่สำเร็จเรามารักตัวเร า, เรามาแก้ตัวเราโอ้โลกนี้ก็เยียบมันแหลกไปเลยถ้าเห็นว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วนะ ไม่มีอะไรน่ากลัวลุยเลยนะเราสอนอย่างนี้การสอนธรรมเรียกว่ากรรมคือการกระทําทําลงไปที่กายทําลงไปที่วาจาทําลงไปที่ดิที่จิตที่ใจแต่เป็นบุญวาฒนาก็แต่งลงไปที่กายเป็นกายสุดจริตแต่งลงไปที่วาจารวาจาสุดจริตแวงลงไปที่กิตใจมโนสุดจริตถูกต้อง แต่งได้วาดเขียนลงไปเมิบุญว่าสนาบามีก็สร้างลงไปอดทนลงไปกระเลินสติลงไปไม่เมตตาลงไปไม่เพิมอดทนลงไปไม่ศินลงไปมีสมาธิลงไปมีปัญญาลงไปปัญญาน่อยๆมันหลงเปลี่ยนตัวลงเป็นตัวลูกเป็นปัญญาแล้วขณะที่ใส่ใจสร้างสติอยู่นี่มันก็เป็นสมาธิแล้วคนมีสติก็มีศินแล้วเราสร้างบาลเมีนะเนี่ย ไม่ใช่เราทำมันอื่นสร้างบุญนะเนี่ยเรามาปฏิบัติสร้างรักษาศีล น, นะเนี่ยมาปฏิบัติไม่ใช่อย่างอื่นนะพิสูจต่าเนาะอ้าวก็พูดทห้ฟังสำหรับตอนชาววันนี้ก็จบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้พวกเรากราบพระพร้อม